ว่าหุ่นเชษฐ์สมาบินนิตาสายดันตังจีรเมฆลัมดิตาโ न รชเชสนามารมีดานาดิดัมนาบิดนาจิตวามุนโดตัม Jai Mangalani, Jai Mangalani. Jaya mangalani. Jaya mangalani. ตาถดถอยขมนตีสุนันตาบิิ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการชีวิตไม่สิ้นหวังนะคะมาพบกับท่านผู้ชมตอนเช้าวันอาทิตย์เวลาโดยประมาณ6กโมงสินาทีนะคะเช้าวันนี้พาท่านผู้ชมมาจงังหวัดสิงห์บุรีเอกเช่นเคยคงจะเดาออกนะคะมาน ม, มันสการหลวงพ่อจรรย์ที่วัดอัมพรวันค่ะพระราชสุทธิยานมงคลนะคะสำหรับวันนี้เนื่องจากเป็นอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่เราจะขึ้นปีใหม่ นะคะเพราะฉะนั้นเราจะคุยกันทบทวนความจำนะคะทบทวนความหมายของชีวิตนะคะแล้วก็จะคุยกันถึงว่าคนที่สิ้นหวังเขาทำยังไงทำไมเขาถึงสิ้นหวงังทำอย่างไรเราถึงจะไม่สิ้นหวงังสอดคล้องกับชื่อของรายการกราบนามัสการหลวงพ่อคะ่ะเจริญพรหลวงพ่อคะ่ะในความหมายของชีวิตเนี่ยนะคะหลวงพ่อคิดว่าชีวิตเนี่ยมันมีความหมายยังไง ขอเจริญพรชีวิตนี้มีความหมายมากสําหรับคนเกิดมาจากคโลกนี้ต้องรักชีวิตท้งนั้นค่ะชีวิตความหมายที่จะต้องเดินทางไม่พลาดผิดแต่ชีวิตของเราทุกวันนี้น่าที่ดายมากคนรเรารักชีวิตไม่ถูกต้องค่ะรักชีวิตแล้วสาบไปสร้างความชั่วเดินทางพลาดผิดไม่มีกดจลาจลชีวิตแต่ตการใดไม่มีหลักยึดเหนี่ยวในทางที่จะเดินทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคนชีวิตชีวิตจึงผิดหวัง ก็มากมายชีวิตแปลว่าความหวังอันเป็นสิ่ง<ม>ที่มีประโยชน์ต่อการงานและงานาที่เรียก่าชีวิตที่มีประโยชน์นั้นแต่ทุกคนขอจเจริญพรว่าชีวิตนี้ใครหนอจะรักไหมมนุษย์ก็ต้องรักชีวิตมนุษย์ก็ขอประทานโทษขอจเจริญพรนับประสาอะไรแต่แค่มนุษย์แค่เดรัจฉานยังต้องรักชีวิตของเขาแต่หน้าสิญดาสําหรับมนุษย์ชาติศักยภาพของบุคคลทุกวันนี้รักชีวิตไม่ถูกต้อง รักชีวิตแต่เดินทางท่าผิดผิดโจรลามจอดชีวิตเขาวางทางเส้นเดินของมาันอใหม่ปรับเดินผิดพลาดเหมือนมาแหกคอกช้างปอกแตกนาที่ได้ในเวลาของเขาที่หมดไปเรียกคืนไม่ได้คือชีวิตอันตามเวลาชีวิตแปลเวลาที่มีประโยกน์จนเกว่าชีวิตที่ไม่ไร้ค่า ท่านผู้ชมคะหลายคนสิ้นหวังนะคะกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนะคะที่ซุดลงชนิดที่ว่าแทบจะถอนทุนไม่ขึ้นนะคะหลายคนคิดฆ่าตัวตายในญี่ปุ่นสถิติการฆ่าตัวตายเนี่ยสูงมากทั้งในวัยคนที่เป็นพ่อแม่คนนะคะและในวัยรุ่นนะคะตรงนี้เรามาพิจารณากันว่าในความสิ้นหวังนะคะแล้วคิดฆ่าตัวตายเนี่ยมันจริงจริงไหมว่าการฆ่าตัวตายเป็นการที่จะละทุกได้นะท่านวัชการหลวงพ่อคะ่ะ ว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยถ้ามันสิ้นทุกจริงๆหรือเปล่าอ่าขออจารย์พรไม่ใช่อย่างนั้นคนฆ่าตัวตายนี้ใครหนออยากจะฆ่าต้องตีปัญหาก่อนทุกคนกลัวตายฉงนั้นชีวิตอันที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาก็กลัวตายฉะนั้นทําไมต้องฆ่าตัวตายเนี่ยที่ฆ่าตัวตายนั้นอย่าคิดว่าเขาเหล่านั้นกลัวเอ่าคือเขากลัวตายทําไมต้องฆ่าด้วย อํานาจกิเลสอันนานาประกาอีกคนหนึ่งอํานาจที่หลงผิดเดินทางเส้นทางกฎจรรยชีวิตเส้นทางของแทงชีวิตมัอนอยูเพราะก็เดินทางนี่มีหลายทางไปทางไหนพุทธเจ้าสอนให้เดินทางไปถูกต้องไนรกไปอาซุลกายชัตวดเดชฌานจะเดินทางไหนไปทางมนุษย์ไปทางพรหมโลกไปทางสวรรค์ไปทางนิพานท่านก็บอกเส้นทางไว้แล้ว แต่เส้นทางของมนุษจะเดินนั้นต้องพัฒนาด้วยปัญญาคือปัญญาในตัวอย่างนี้เป็นตน้นแต่เหตุดายหนอเขาจะมาฆ่าตัวตายอย่นี้อย่าลืมกดแห่งตามจากการกระทํานั่นเองเป็นการกระทําต้องทําให้ต้องฆ่าตัวตายเจ็ดชั่วชาติเมื่อชาติก่อนนี้เคยฆ่าตัวตายมาแล้วมักิจชาติต้องฆ่าตลอดไปจนฆ่าชาติสุดท้ายแต่ชาติทุดทายนั้น ก็ขอเจริญพรว่าทําไมต้องฆ่าตัวตายต้องขอเจริญพรดังนี้อาตมาจับได้หลายคนหลายหลาหลายหลายตอนเช่นคนที่ฆ่าตัวตายชาติสุดท้ายมปดิเจตนาเลยมันเป็นนี้ไม่เครื่องหมายทําให้ต้องตายเช่นยกปืนขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างให้เห็นเป็นความจริงลูกเสสสมบัติเสสคนนี้นํามจต่างนามคุณแม่ดา เป็นเสกองทัพไพยสามค่ายเฉลยสวนมหาราชเอกาทศรถพิโสโลกโสโคถันพรายยาก็เป็นอาจารย์สอนวิไลครูที่พิโสโลกลูกสาวฆ่าตัวตายลูกสาวฆ่าตัวตายนี่เอาเอานี่มาเป็นหลักลูกสาวฆ่าตัวตายแต่ฆ่าตัวตายไม่ได้โกรธเลยคไม่ได้โกรธให้เลยนะแต่จับปืนขึ้นมานี่สาธิตให้ดูจับปืนขึ้นมาดู สนุกในการจับปืนก็อ่า ง, ง้างกายบังไรบ้างแล้วก็คิดว่าลูกมนม่ะเป้องเลยตายคาดที่ตายคา ท, คาาที่แต่พ่อแม่ก็เสียใจยไปทําบุญให้ก็ไม่ได้รับก็ไม่ทราบว่าลูกนี่ไปโกรธใครมีแฟนตรงไหนเป็นลูกสาวค่ะรับราชการสวยน่ารักนี่ยกตัวอย่างให้ดูก่อนและจะให้เห็นชัดด้วยห้าตัวตายไม่ได้สร้างกลรมใหม่กรรมเก่าไม่ได้เจตนา ทำไมจึงฆ่าถ้าพูดตั้งละธรรมะเรียกว่าความประมาทถ้าพูดทะลึกลงไปอีกเรียกว่ากดแห่งกรรมเขาจะต้องฆ่าตัวตายชาติถุดท้ายโดยไม่ต้องโกรธใครเลยแล้วใช้อาตมาไปบรรยายกฎแห่งกรรมในกองทัพเจ็ดวันเจ็ดคืนไปหลายแห่งเขาร้องไห้ตลอดนี่ยกตัวอย่างเป็นเรื่องหนึ่งก่อนเขาร้องไห้บอกปัสสัยให้ร้องไห้ทําไมลูกสาวญิงตัวตายฆ่าตัวตายก็ไม่ทราบความหมายอาตมาก็บอกให้จบไปก่อนจบไปก่อน เนี่ยฆ่าตัวตายเนี่ยชาวุทายไม่โกรธใครไม่เร็จแฟนเ็ายังไม่มีแฟนแล้วไม่ใช่เรื่องอะไรเขารับราชการด้วยจบไปก่อนแต่บอกไม่เคยมาเข้าฝันแต่ประการใดาลายตมาก็ขอจเจ ร, ริญพรว่าท่านเสเชื่อตอมาไหมคนที่ฆ่าตัวตายจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามผู้จาบอกบาปมากทำบุญไม่ถึงหมายถึงเนี่ยวิธีการทาถึงทาอะไรคือจเจริญกรรมฐาน จะเริ่มวิปัสนาในานะชั้นสูงสุดในพุทธศาสนาถึงจะได้รับเลยสามีภรรยาคู่นี้ก็เป็นอาจารย์ปัญญาก็ลาพักรอนนั่งกรรมาฐานนั่งกรรมาฐานได้เจดวันเจ็ดคืนแล้วมานั่งเจ็ดวันเจ็คืนลูกมาเข้าฝันลปงที่จบไปเลยมาเข้าฝันบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณขอบใจแม่และพ่อมากได้นั่งกรรมาฐานให้หนูขึ้นจากนรก หนูที่ฆ่าตัวตายนั้นไม่ได้เจตนาอะไรไม่ได้โกรธใครเลยนะคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพหนูจับปืนพ่อมาดูเล่นมันทําให้สองหอนใจอยากจะเอาปืนเล่นอยากเล่นปืนแล้วก็ถอดปืนแล้วไม่มีลูกแต่ทำไมลั่นได้ขเขาเจริญพรด้วยเจตนาไม่ได้เจตนาแต่เป็นนิมิตทำให้เห็นว่าไม่มีลูกงาโป่งเดียวตาเลย คนเราเนี่ยความรักกับความโกรธไม่กลัวใครค<ะ>ขนาดโกรธจัดเนี่ยไปกลางคืนกลัวผีกลัวโจรก็ต่อไปได้<ะ>โกรธนี่ไปได้เนี่ยสองความรักที่สุดไปได้เนี่ยไม่กลัวใครเพราะอะไรไม่ไปก็ไม่ได้นี่ความโกรดนี่ไปได้เลยโกรธจัดสามารถไม่มีสติ<ะ>สามารถผูกขอตายนี่เป็นกรรมใหม่ไม่ใช่กรรมเกา่า<ะ>ขคอที่สอง ค, <ะ>คนผูกคอตาย โดยไม่มีโกรธเลยอันนี้เรื่องจริงสองลายการเลวคือชาติตุดท้ายบัณฑิตมีเจตนามีตัวตนช่างทําโรงเรียนวัดช้าทงอำเภอพรมบุรีจงังหวัดชลบุรีทำโรงเรียนแล้วก็ไปอาบน้ําที่คลองส่งน้ําเดินผ่านปา่าช้าเดินผ่านป่าช้ามาก็เดินเดินมาเลขคนหนึ่งไปในช่างเลยเดินมาที่หลังพอมาถึงปา่าช้าแวก ปลาช่ากลายเป็นบ้านกลายเป็นบ้านเลยมีชาสาวสามคนบอกให้เชิญขึ้นมาหาข้าวหาปลารับทานบอกว่าเชิญในช่างรับทานอาหารปลาช่ากลายเป็นบ้านสวยงามมากเลยก็ไม่รับทานบอกว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปรับทานกับพวกช่างด้วยกันนี่ทำโรงเรียนเนี่ยตรงนี้เองมีหลักฐานแล้วก็ไม่ยอมรับทาน ผู้หญิงเจ้าของบ้านก็บอกเอาละในไหนขึ้นมาแล้วฉันจะให้รางวัลให้สร้อยหนงเส้นคเอาสร้อยสวมคอพอสวมคออะไรปั๊บสลกไปเลยออสลกไปเลยแล้วก็พวกช่างก็เทอกตามมาถึงที่วัดความตีหนึ่งตีหนึ่งเนี่ยอาตมาก็กลับไปบอกว่าให้อปืนไปยิงยิงขึ้นฟ้าสามนัดพอยิง ข, ขึ้นฟ้าสามนัดแล้วเห็นตําร ang ผูกเห้อยหน้นอยู่บนต้นาคานไม่ใช่เป็นบ้าน แล้วก็แก่มาแล้วก็มาลดน้ำมนอาตมาถามบอกโกรธใครเปล่าเปล่าเดินมาจริงนั่นนะ <c oughs> เดินมาแล้วก็เห็นบ้านเขาเรียกขึ้นบาท <c oughs> หากินข้าวเลยก็ไม่รับฐานเลยอาตมาก็กระชิบบอกพันยาเขาสามเดือนตาย <c oughs> สามเดือนตายเนี่ยตายอย่างนี้เพราะชาติสุดท้ายเ่ยแล้วทีนี้สามเดือนก็เดินทางกลับไปพิจิกก็ไปช่วยงานที่ผูกพัชธิมา แล้วกลับบ้านจนสายเนี่ยพัญญามาตามชวัตรไม่มีก็ผู่คอตายที่ตรงข่อคยค่ะนี่อันนี้ก็ขอจเจริญพรละคนที่ชาติสุดท้ายผูกคอตายโดยเจเไม่ได้เจตนาค่ะแล้วจะไม่ผูกคอตายต่อไปอีกเจ็ดชาติค่ะอีกประการที่สองคนสร้างกรรมกรรมใหม่กระโดดด้วยโทสะมีอํำ น, นาจโทสะขอจะเจริญพราฝากไปยิน คนเราเนี่ยความรักกับความโกรธไม่กลัวใครค<ะ>ขนาดกโกรธจัดเนี่ยไปกัางคืนกลัวผีกลัวโจรก็ต่อไปได้<ะ>โกรธนี่ไปได้เนี่ยสองความรักที่สุดไปได้เนี่ยไม่กลัวใครเพาอะไรไม่ไปก็ไม่ได้นี่ความโกรธที่ไปได้เลยโกรธจัดสามารถไม่มีสติ<ะ>สามารถปูกขตายนี่เป็นกรรมใหม่ไม่ใช่กรรมเกา่า<ะ>โดยมไม่รู้แล้วนี่ไม่มีสติ อย่ากตายเนี่ยอย่าอยู่เลยโกรดพ่อโกรธแม่โกรดอย่างแรงแล้วโกรธสามีโกรธภรรยาโกรดลูกจนหมดสติไม่มีเส้นทางเขาเดินคนชีวิตไม่มีปัญญาเลยเนี่ยผูกคอตายได้ยิงตัวตายได้โดนตึกตายได้ในายเว็บเดียวนี่ขอเจริญพรอย่างนั้นแต่ตกลงพ่อข่าวเมื่อฆ่าตัวตายไปแล้วน่ยมันก็ไม่ได้หนีทุกได้ะหนีทุกไม่ได้ใครบอกว่าฆ่าไปเพื่อพ้นทุกกลับไปข้างพูด ฆ่าตัวตายเนี่ยอย่างโกรธจัดเนี่ยต้องฆ่าไปทั้งเจ็ดชาติแน่นอนฆ่าไปเจ็ชาติแน่นอนต้องพิสูจน์ได้ไมีความพิสูจน์ได้เห็นชาติคือกรรมาฐานทา น, นทีนี้คําถามที่เราจะถามหลวงพ่อต่อไปนะคะคือคนที่ท้อแท้สิ้นหวังคิดจะฆ่าตัวตายนะคะทําอย่างไรที่เราจะช่วยเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ต้องฆ่าตัวตายไม่เป็นการสร้างการรมปลูกพัน์กันไปถึงเจ็ดชาติเหมือนกับที่หลวงพ่อพูดมาแล้วนะคะหลวงพ่อคะเราจะแนะนําเขายัางไงคะ ขอเจริญพรคนที่ส <Jub ilee> <paint metal> ิ้นหวังอะไรอะไรต่างๆมันหมดอะไรใจอยากเนี่ยมันไม่มีหลักก็ขอเจริญพรไม่มีหลักคือเช่นทางชีวิตไม่มีการเดินทางคือโจราจชีวิตไม่มีแล้วมันชินหวังหมดอะไรจะอยากหมดอะไรใจอยากคเราก็ต้องให้ธรรมะเขาหลักสามประการศีลสมาธิปัญญาไม่ตรงมากค่ะหลักสติปัญญานี่เองคือปัญญาเนี่ยสามารถจะแก้ปัญหาชีวิตได้เพรานั้นคือปัญญาในตัว ปัญญานอกตัวเนี่ยช่วยอะไรใครไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ า, จ, าจึงสอนชัดเจนมากสอนอะไรยื่สอนเน้นวิชาการวิชาการเนี่ยต้องเรียนก่อนพอเรียนแล้วต้องเน้นถ้าพูดตามหลักธรรมะเรียกว่าโลกีปัญญา <คะ S 2> มันจําเป็นน ะ, <ค>ะปัญญาทางโลกสองโลกุลกตระปัญญาปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตเขาไม่มีเลย <คะ S 2> บางทีเป็นด็อกเตอร์ แ, แต่ฆ่าตัวตายก็เยอะือ<ค>ะแล้วผิดหวังไป ต้องฆ่าตัวตายต้องเสียใจตลอดไปจะทั่งเป็นด็อกเตอร์ต้องหลายด็อกเตอร์ <Okay. S 1> แต่เพราะเหตุใดเพราะเขาไม่มีโลกุตละลปัญญา oh. คือปัญญาในตัวไม่มีห <Okay. S 1> ลับธรรมะไม่มีเลยไม่มีสติสัมปชัญญะขาดสติสัมปชัญญะมากมายสายทางเดินของชีวิตจึงผิดไป <Okay. S 1> เดินพลาดเหมือนกัจรลาจรชีวิตเนี่ยต้องเดินทางตามเส้นที่เขาตีไว้ <Okay. S 1> ทีเจ้าสอนถ้าแหกพอกนะนอกทางนอกเส้นเนี่ย ชีวิตจะลายสาระ <Okay. S 2> จากลายเป็นคนซึ่งหวังทันทีหมดอะไรใจอยากไม่สามารถจะเดินทางไปถูกต้องได้ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นคนเราต้องมีทางเดินนะต้องมีทางเดินด้วยกันทั้งนั้นแต่ทางเดินนั่นคือตัวปัญญาคือเส้นทางคู่ชีวิตต้องเดินทางไม่ผลาดผิดกฎจราจรชีวิตยกตัวอย่างให้เห็น <Okay. S 2> ในปัจจุบันเราต้องเดินทางไปตามกฎจราจรไม่งั้นตำรวจจับ <Okay. S 2> ผิดเช่นกฎจราจรยังไงถึงไฟแดงต้องหยุด <Okay. S 2> ไฟเขียวก็ไป แต่กฏจาระจรักุจิตใจยังคือสายทางเดินของชีวิตสายเดินทางเดินทุวิกคืออะไรคือสติปัญญาได้แก่ตัวปัญญาเพราะฉะนั้นพระเจ้าสอนต้องมีภูมิห้าคือจะแปลจากสีนสมาธิปัญญาสีนสมาธิปัญญาง่ายแต่ไม่มีใครทําต้องพูดโดยวิธีปฏิบัติหนึ่งภูมิรู้สองภูมิธรรมสองภูมิฐานสีภูมิปัญญาหภูมิปัจจุบัน ถ้ามีภูมิปัจจุบันก็คือหายใจเข้าออกไม่สติทั้งปัญญานี่ตรงนี้เป็นภูมิปัจจุบันคนเราไม่เอาปัจจุบันเอาอดีตมามามารีเฟรชเรื่องผูอื่นมาคิดกิจชอบทําให้ไม่ทํำอนาคตไม่จับอยังมันให้ข้นมันตายจะผิดหวังจะเสียใจตลอชีวิตเนี่ตรงนี้เสียใจไหมถ้ามันผิดหวังขึ้นมาทําไมจับมั่นข้นมันตายจับต้นหลักน่ะถ้ามันผิดไปทําไมน่าจะพิจารณาอธิจรรยทุกขังนัมิตา มันความแน่นอนชีวิตมีไห้ชีวิตแม้แต่ว่าไม่แน่นอนชีวิตคือความหวังแต่ฟชีวิตคือสังกัตายไปวันหนึ่งสังกัตายไปวันหนึ่งได้อะไรฮะได้อะไรไม่มีการที่จะสร้างเลยเพราะฉะนั้นชีวิตนี่ต้องอยู่ในข้อนอยู่ในการที่จะต้องอย่าอย่าสร้างความผิดหวังให้กับตัวเองอดีตอย่าลื้อฟื้นได้ไหมเรื่องคนอื่นอย่าคิดแค่คชอบน่าจะทากลับไม่ทา ปัญญามีสามอย่างนี่หลักหลักที่ต้องปฏิบัติ<ะ>อย่าไปเอาอาดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงเอาอย่างนั้นไม่ได้ตอนเอาปัจจุบันนี้ก็ อ, อะไรเอาคุณกับพุทธเจ้ามาไว้ซ ะ, ะศึกษาให้ความรู้ปัญญาคุณ วิธีแก้ง่ายๆต้องปลูกศรัทธาปลูกความเชื่อมั่นให้เข้าสู่ในคุณประสิทธิราตระหนัมีพระพุทธเจ้ามีประธรรมประสงค์ไปตน้นคุณพระพุทธเจ้าคืออะไรเอามาไว้ในใจได้ ไ, ดไหมคุณพระเจ้ามาไว้ในใจได้ในกายไรง่ายๆพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุ ณ, คณเอาไว้ในที่ได้ไหมปัญญามีสามอย่างนี่หลัก หลักที่ต้องปฏิบัติอย่าไปเอาอาดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงเอาอย่างนั้นอีไม่ได้ตอเอาปัจจุบั น, นก็ อ, อะไรเอาคุณกับพุทธเจ้ามาไว้ซะศึกษาให้ความรู้ปัญญาคุณมีสามอย่างสุตตามยบปัญญาปัญญาได้แก่การสดับจับฟังอธิบายได้แก่ศรัทธาฟังสนใจฟั ง, ส น, ฟงสนใจฟังจดหัวข้อไว แล้วก็ทบทวนทบทวน ไ, นไม่มาทบทวนแล้วก็ทํำยังไงทบทวนแล้วก็คลี่คลายนั่นทบทวนแล้จําไว้ไ ด, ด้มันจดมันจํามันจํามันจดถึงได้งามอย่างงดมันจดมันจําไปตำรานี่คือตัวปัญญาปัญญาเนี่ยแค่ฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องจินตามัญญะปัญญาปัญญาต้องต้องคิดก่อนมีสติคิดก่อนเ้ยไหมคิดหนอก่อนเลยไหม คิดเรืเริ่มดำเนินงานท่านที่อย่ารอรีจะประการใดเกิดปัญญาไหมนี่เกิดปัญญาเนี่ยเกิดปัญญาทางคิดแต่ปัญญาทางคิดก็สู่ปัญญาภาวนาไม่ได้ขอเจริญพรท่านดรเพราะเหตุใดปัญญาฟังกับปัญญาคิดไม่มันก็ดีแต่ประโยชน์น้อยมากฟังแล้วไม่คิดประดิษจ้างฉานจะมีปัญญาไหมคิดแล้วไม่ทําคิดแล้วไม่ทําจะทําอย่างไรคิดแล้วไม่มาทํา ไม่ได้ต้องใช่ตัวปัญญาที่สามตัวปัญญาที่สามคือภาวนามย์ปัญญาภาวนาให้มันผุดขึ้นมาเกิดปัญญาปัญญาในตัวเกิดตรงภาวนานอ่านหนังสือไม่ต้องมีตัวมันจะผุดมาบอกเราเช่นคิดหนอตรงเดือนปีเนี่ยมันจะบอกว่าคิดถูกแล้วคิดแล้วคิดถูกใช้ความคิดนี้มาทําได้เลยเรียกว่าปัญญาในตัวต้องทําตรงนี้ เรียกว่าภาวนาไม่ปัญญาข้อต่อไปแปลว่าสามารถกำจัดความชั่วเจตัวได้เพราะปัญญาภาวนาปัญญาสองต้นปัญญาทางฟังทางคิดไม่สามารถกำจัดความชั่วเจตัวได้เพราะปัญญาในตัวถึงจะกำจัดออกได้เรียกว่าภาวนาอย่างนี้เป็นตัวนี้รักนี่ภาวนาเกิดขึ้นในตัวเราแล้วนี่เป็นลักง่ายๆคือรัตนาตายสอง พระบริบ ah! สุตติคุณของพูะเจ้าได้แก่อะไราะความเบื่สุธดได้แก่อะไรได้แก่ภาวน า, าถ้าไม่ภาวนาและจิตไม่ใส่ใจสะอาดไม่บริสุดถ้าจิตใส่ใจสะอาดำาชำระใจสะอาดถึงจะเกิดปัญญาเรียกว่าตัวภาวนาทําใจให้สะอาดหมดจดมั่นทองธําธรรมชาติที่ดรอรลาบออกมาอย่างนี้เรียวกว่าพระวิสุตติคุณของพูเจา้าถ้าคนเราไม่มีความไบ่สุดจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้น ขอขอเจริญพรแดนตะเตอร์ ด, ดังนี้ความบริสุทธิ์ของโคนเนี่ยทําให้เกิดความจริงใจชายก็จริงหญิงก็แท้เป็นผู้แก่ที่นาบูชานี่สช่ตรงนี้พระข้อปฏิบตัติเป็นข้อหลักของพุทธศาสนาชัดเจนว่าด้วยสดนี่คือจากภาวนาทำให้จิตใจจสะอาดบริสุทธิ์ปุดผ่องมันทองคำธรรมชาติสื่หล่อเหลาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดการแก้ปัญหาได้คือเมตตาเป็นคนที่จริงคือชัดเจน เมตาสามัคคีมีวิในเรียกว่าแมตาลานิยฤทธ์ก เ, เฟือ้องขานหรือให้ดูกันเรียกว่าคุณประสิทธิธนาตาใขโเจเินพร อ, อย่างนั้นท่านผู้ชมครับ เ, เวลาของรายการก็มีไม่มากนักนะคะเนื่องจากพวกเราพร้อมที่จะก้าวสู่ปีใหม่แล้วนะคะถือโอกาสนี้กราบขอพรจากหลวงพอ่อหลวงพอ่อขาขอพรปีใหม่ให้ลูกๆที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะวันปีใหม่ อขอจเจริญพรญาติพี่น้องชาวไทยทุกท่านสคอสอแปลว่าความสุขแห่งความดี2543สวัสดีปีใหม่ชาติไทยเจริญเดินก้าวหน้าหนึ่งขยันเอาการสองงานสะอาดสามฉลาดเราพอบ4ชอบระวังห้าตั้งใจตรงหกตงที่ทำเจ็ดนำทางถูกแปดปลูกสติ9ด้าเดินีชอบนี่พรพหมาย การกระทำใดๆที่เป็นไปโดยต่อเนื่องนี้ของเล็กน้อยก็เป็นของใหญ่บุญน้อยก็เป็นบุญมากทำดีไม่ได้ผลเพราะทำตนลุ่มๆุมดอนททำดีที่ได้ผลเพราะทำตนสม่ำเสมอหนึ่งภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีการสูญเสียใดที่น่าจีใจเท่ากับการเสียเวลาเพียงหนึ่งวินาทีก็เท่ากับสูญเสียส่วนหนึ่งของชีวิตอายุที่เราได้นั้นคือชีวิต ท, ที่เรา ศูนย์เสียเปรียสองความกังวลใจคือศัตรูของชีวิตอดีตคือความฝันอนาคตคือความไม่แน่นอนปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะแก้ไขได้ไม่มีใครสร้างความหยาดลอนให้แก่เราได้นอกจากตัวของเราเองการทำความดีมีได้ทุกโอกาสความประมาททำให้พลาดจากความดีความดีให้ความอิ่มใจในเบื้องหลังให้ความสมหวังในเบื้องหน้า ความชั่วให้ความอุ่นใจความชั่วให้ความคุ้นใจในเบื้องหลังให้ความผิดหวังในเบื้องหน้าจงพอใจในชีวิตของตัวเองโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบชีวิตของผู้อื่นสวัสดีปีใหม่สัจจะเมตตาสามคัคคีมีวินยัยชาติไทยเจริญวัฒนาสถาพรขอเจริญพรขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะท่านผู้ชมทางบ้านคะอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็ เลือกที่จะทําแต่ความดีนะคะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ถ้าปัจจุบันเป็นความดีใช้แล้วแน่นอนที่สุดอนาคตย่อมดีไปด้วยสวัสดีปีใหม่ทุกคนคะ่ะรายการของเราขอลาไปก่อนสําหรับปีนี้นะคะสวัสดีคะ่ะเป็นห่วงเธอกลัวเธอวันวายกับสิ่ง ร, รา้าที่พบที่เจออยากบอกว่ามี พรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อ ออกแล้วมีฉันเป็นกาลังใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เด็กๆไม่ทราบเป็นอะไรเครียดไปหมดเลยก็จาย์ดูสิคะค่ะหนังสือพิมพ์ในสมัยนีย้มีแต่เรื่องน่าเศร้าทั้งนั้นเลยละ่ะ เด็กเล็กยังไม่เว้นเลยแตะค่ากันได้ลงคอเลยค่ะอาจารย์ค่ะเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องของกรรมที่มันต่างกรรมต่างวาระกันไปนะคะเราคงต้องไปกราบนบมัสการหลวงพ่อจรานเพื่อที่จะขอความรู้จากท่านค่ะเด็กนใหม่ัยรู้ค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงปู่หลวงปู่ค่ะคนเราเนี่ย ถ้าเกิดทําความดีเนี่ยนะคะพอตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วถ้าเกิดเด็กที่เพิ่งแรกเกิดเนี่ยนะคะก็าตายไปซึ่งเขายังไม่ได้ทําความดีหรือความชั่วเลยก็จะได้ขึ้นสวรรค์หรือเปล่าคะอ๋อหนูถามดีมาก <c oughs> บางคนเกิดมาเนี่ยคุณหนูไม่ทันร้องตายในท้องก็เยอะแยะ <c oughs> เข้าใจไหมบางคนเกิดมายังไม่แทน <c oughs> เห็นเดือนตะวันก็มาตายก็มากลาย หลากหลายมาด้วยกฎแห่งกรรมจากการกระทําของเขาเขาจะต้องกระทํามาแค่นั้นเองแต่จะถามว่าคนตายนั้นยังไม่ไทำความดีจะไปในโลกสวรรค์เราก็ไม่สามารถจะตอบได้จะตอบได้อยู่คําเดียวถ้ า, าว่าคนนั้นวิญญาณเขาทําความดีมาชาติก่อนแล้วเขาขนาดนั้นเขาตายนะในทองไร่ไร่ถ้าจุดเขาดีหรือว่าเขามีปกติเขาก็ไปสวรรค์ได้แต่หากว่าเขาเนี่ย ติดไม่ดีเนะียมันติดวิญญาณเข้ามาเขาก็ไปนระกได้เกิดมาโมเสนจะยากมากเกิดมาเนี่ยจะมีอายุจะเหยียบย่างมาก็มเสนจะยากมันเป็นกฎแห่งกรรมของเขาเองหนูต้องเข้าใจบางคนเนี่ยสร้างเวรสร้างกรรมมาก็มาแค่นี้เองก็ต้องตายต้องจากโลกไปมาเกิดแค่นี้บางคนไม่ทันร้องตายในท้องบางคนเราจะเห็นเขาได้มาสมัยก่อนตายท้องกลมตายในท้องแม่เลย ยังไม่ทันคลอดออกมาก็ตายในท้องแล้วมาเธอคลอดมาก็ตายแล้วเนี่ยเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมาชายก่นอนเขทําแล้วใครจะรู้ด่านะขอฝากพวกหนูไว้อย่างนั้นแล้ช่วงต่อไปนะคะก็ขอเชิญพบกับพี่ใบเตยได้เลยค่ะวัยรุ่นรักดีค่ะแกรมน้มัสกา่หลวงตาค่ะวันนี้ในช่วงวัยรุ่นรักดีของใบเตยก็มีคําถามมาถามหลวงตาเหมือนกันค่ะ วัยรุ่นไทยในสมัยนี้นะคะหลวงตาชอบคิดหาวิธีการออกจากปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายค่ะใบเตะอยากจะให้หลวงตานะคะช่วยเล่าถึงความทรมานในกรณีที่วัยรุ่นคิดย่าไข่ปัญหาด้วยการออกจากปัญหาด้วยวิธีการนี้ค่ะจะตอบให้หนูฟังสองวิธีให้วัยรุ่นเล็กๆวัยรุ่นโตๆตหนุ่มสาวสิบห้าสิบกยี่สิบฆ่าตัวตายเป็นจํานวนมากโดดตึกตายก็มีไม่จําเป็นต้องวัยรุ่น คนอายุกลางคนแค่ยี่สิบห้าไปแล้วในมัตชิมวไวก็โดดตึกตายฆ่าตัวตายยิงตัวตายก็มากหลายหลากหลายม า, าไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นคนอายุมากกว่าฆ่าตัวตายด้วยการยิงตัวตายเสียใจยแก้ปัญหาไม่ตกแต่พูดตามหลักพระพุทธศาสนามีอยู่สองประการประการที่หนึ่งนั้นคือคนนั้นไม่มีหลักธรรมไม่ได้เข้าวัดขาวาไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระ จริิ่นก็ฝนภาวนาไม่ได้นั่งประกรศมาฐานไม่เดียปฏิบัติธรรมเขาจึงไม่มีที่พึ่งทางใจเขาก็สามารถจะออกไปผูกคอตายโ ด, ดตึกตายคิดเสียใจพ่อแม่ที่บางบ้านเขาสร้างความดีกับลูกทำถูกดีกับหลานลูกสมน์ว่าเพระเขาจะไม่มีทางต้องฆ่าตัวตายเลยนี่ประการหนึ่งอีกประการที่สองคนที่ฆ่าตัวตายมาชาติก่อนเคยฆ่าตัวตายมาถึงเจ็ดชาติ มาในชาตินี้เขาก็ต้องฆ่าตัวตายแต่ทั้งที่ไปวัดแล้วก็ต้องฆ่าตัวตายก็มีมากเส้นปลูกคอตายเป็นต้นเนี่ยมีสองประการหนูแต่เด็กวัยรุ่นรุ่นมเนี่ยมันพอจะแก้ด่แต่ที่พ่อแม่เขาพ่อแม่สอนลูกเห็นไหมให้เข้าวัดสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเขาจะแก้ไขปัญหาได้จะไม่มีปัญหาที่จะต้องฆ่าตัวตายเลยแต่เขาไม่ทํากันในสองคมของคนไทยตรงนี้อ่าสมัยนาซิดายเนี่ยหนู น่าจะเข้าวัดหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระภาวหกาสวดมนต์เป็นประจำเป็นนิสัทธิ์นจิตเป็นประจำเอาหุิกรรมก่อนก็แพ่เมตตารับรองเขาจะมีทุนทางจะไม่ฆ่าตัวตายแน่นอนมีสองประการนี้นุ๊กไวฝากไว้ <c oughs> บอกเพื่อนต่อไปวันนี้เบ่์เตยก็ต้องกราบขอพระคุณหลวงตามานะคะที่ให้คำชี้แนะเกี่ยวกับทางออกที่ดีให้กับพวกเราชาววัยรุ่นนะคะเมย์เ <ๆๆ S 1> ตย อ, อยากจะฝากเพื่อนๆเอาไว้สักนิดนึงนะคะการฆ่าตัวตายไม่ใช่การคิดแก้ปัญหาที่ดีที่สุดอยากให้ใช้สติคิดซะก่อนค่ะและสําหรับช่วงหน้าพี่เดียรรอยอยู่กับช่วงหนุ่มสาวรักก้าวหน้าสักครู่เราไปพบกับพี่เดียกันค่ะหนุ่มสาวรักก้าวหน้ากรับมัสการค่ะหลวงตา วันนี้นะคะเดจะมาพูดเรื่องว่าตายแล้วเราไปไหนกันคะวันเออมันมีเหตุการณ์หลายอย่างนะคะอย่างเช่นว่าบางคนระลึกชาติได้ก็มีนะคะบางคนคิดว่าตัวเองกลับชาติมาเกิดแล้วก็เดชจะถามว่าเวลาคนที่เขาหมดลมหายใจไปแล้วนะคะแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาใหม่กลับมามีลมหายใจอีกนะคะอยากเดชอยากจะถามว่าวิญญาณของเขาไปอยู่ที่ไหนคะตอนช่วงที่เขาได้หมดลมหายใจไปแล้วนะคะเอาอย่างนั้นชียวเหรอค่ะหนูสงสัย ค่ะถามดีมากตายแล้วไปไหนคนะระลึกชาติได้จริงไหมแลว้วก็คนที่ลมหมดลมหายใจแล้วกลับฟื้นมามีไหมใช่ไหมใช่ค่ะมีคนสลบไปสลบแล้วไปแล้วไปไหนลุงตาคะแต่สลบนี่ไม่ได้หมดลมนะคะไม่ใช่ต้องหายใจค่ะหัวใจต้องเต้นแต่ตรงนี้ไม่มีลมอ๋อค่ะ เอาถ้ามีร้องไม่มีลมแต่หัวใจยังเต้นเท่าหัวใจดับไม่เต้นไม่มีการฟืน้นไม่มีการฟื้นมันก็เรื่องแปลกอยู่หลายประการโกรธแล้วตายแต่กลับพื้นได้กลมเท่าที่เราไปประสบมาถ้าใครไม่ประสบมาจะไม่รู้และระลึกชาติได้ไม่จริงเราขอยืนยันสาหรับที่เราประสบมาแต่คนอื่นเนี่ยอาจจะมีแล้วคนที่ตายไปแล้วเนี่ย กลับมาฟื้นได้มีพระปิชุนิก่อนอยู่ภาคตายถ้าเล่านานหน่อยฟื้นได้แน่นอนค <c oughs> แต่เราไม่จะไปพิสูจน์วันหายใจเปล่ากินยาตายกลับฟื้นได้แล้วไปไหนวิญญาณไปไหนก็ไปท่องเที่ยวอันนี้เรื่องจริงเป็นเพื่อนกับเรา <c oughs> อีกคนนึงอีกอันนึงคนลรลึกชาติได้ไหม <c oughs> มีหลายเรื่องแต่ หลงตาจะเล่าให้ฟังเรื่องที่ชัดเจน <Okay. S 2> เราขอเยนยานเอาหัวเป็นประกันเพื่อนของเราเองเป็นด็อกเตอร์เป็ด <Okay. S 2> เป็นคนชาวโุรรนมาอยู่ที่ชาวุ้งจังหวัดอุรีมาสมัยเราเป็นเด็ก <Okay. S 2> ของไม่มีหนังสือเรียนไม่มีสตางค์เรียนหนังสือเมื่อสมัยข้าวเพิ่ละแปดสิบาทเมื่อเราเป็นเด็ก <Okay. S 2> ทองหนักบาทละสี่สิบหรือ8ปดสิบจะไม่ได้เราก็บอกก็ยมผู้หญิงขอสตางค์ให้เขาเรียน เขาเรียนเก่งมากตั้งแต่มอหนึ่งถึงมอหกเชียงบุรีแล้วไปเรียนกรุงเทพเราก็ส่งตลอดแล้วก็เขาไปต่อที่กรุงปารีสฝรั่งเศสน้องตาให้ไปสี่ร้อยบาทเขาขอแล้วเขามีอยู่บ้างพี่น้องเขามีอยู่บ้างไปรู้จักในกรุงเทพก็ไปเรียนจบด็อกเตอร์จากฝรั่งเศสกลับมาประเทศไทยแต่งงานที่ฝั่งตรงมีลูกแรกๆสามคนเล็กๆแล้วเขาก็ตาย แักก็เกลีดตายตายจะทำไมไปไหนเขาไปเกิดที่กรอกจันสาธุประดียญนวาที่กอกจันแต่ยยแม่เป็นคนจีนนอกเย็บผ้าหลูขายเย็บผ้าดำดำสำหรับไว้เกี่ยวข้าวป อ, อยุ่ปลายก็าวขวบเราก็ย้ายมันอยู่แบบ น, นี้คเขาตายนานแล้วตายแล้วเขาเกิดเลยนี่คุณหนูสองพันห้าร้อย เขามาเรือเมเขาบอกให้แม่มาหาเพื่อนเขาที่บวช ด, ดูสิงห์ีแม่เขาก็หาว่าลูกเนี่ยเป็นโรคประสาทเอาไปตรวจสมองตรวจแล้วก็ไม่พบว่าเป็นโรคจิตคเลยเก็พามามาเรือแคนบินยังจําได้แคนบินเรือแดงคจากท่าเตียนมาขึ้นหน้าวัดอภูวร์ว่าสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะเบียดน้ำนองเดี๋ยวจะต อ, อ่งน้าทรงทุ่นไอเดินเย่ยน้ําก็ะรี่ไหลลงค เดี๋ยนี่เกิดคุรยุกที่รุ่มกลายเป็นที่ดอนที่ดอนกลายเป็นที่ด่ะมาทาไมมาถามมาจาเขาได้ไหมเราให้ทุกบาททุกตะกันได้คืนบอกจาไม่ได้เธอเป็นใครคต้องตะกริตมหาลงตาเีอมาที่นี่เลยเพราะพ่อแม่มาเป็นคนจีนไฟยังอยู่ไฟตัวนี้แม็กเปลค่ะยังอยู่คลองแต่ร่างกายเปลี่ยนไป ตัวขาวไม่ดําเหมือนแต่ก่อนบอกว่าเราไม่เชื่อเธอนะว่าเป็นตัวเตอร์กุลเขาตายไปแล้วค <c oughs> เขาบอกว่ามาเกิดแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อผมจะพูดคําเดียวท่านให้ผมไปสี่ร้อยบาทใช่ไหม <c oughs> ไปเรียนที่กรุงปารีสเราจะยอมรับเชื่อเ <c oughs> ชื่อแล้วก็เขาให้พาไปบ้านพัญญาเขาที่ฝั่งตรง <c oughs> นี้พัญญาไปอยู่อเมริกาแล้ว <c oughs> ไปขอนังเสือสามเล่มวิญยาญิพพนผัช้าฟังเฉย แล้วขอมาก็สรุปใจความให้หนูฟังว่าคนละลึกชาดายเคยเรียนเป็นร่อกเติมมาแล้วมาชาตินี้เรียนเก่งพลาคหมดเอ็น่าได้หมด ค, คนที่มีเรียนหนังสือเก่งเนี่ยคือคนเรียนมาแล้วมาชาดก่อนคนยังไม่เคยเรียนเลยเนี่ยเรียนในชาินี้ต้องชาแต่อช่ายพยายามไหมเรียนนะทุกขมาเตจิบุคคน ล, ลุงทุกได้เพราะความเพียรสามารถจบได้เหมือนกัน กำลังสนุกทีเดียวนะคะเราเป็นน่าติดตามมากเลยะค่ะแต่วันนี้นะคะเวลาของช่วงของเดียดนี่หมดลงแล้วค่ะก็<ล>อยากกราบขอพระคุณหลองตามากนะคะที่ช่วยยกตัวอย่างใครอยากลองตายก็อเอาปลุกาไฟทานค่ะแต่อยากจะไปดูเมืองถวันเนอะลเอากลุ่มไฟทานหนึแต่เดี๋ยวว่าคงคงอย่าดีกว่าเพราะฟังจากประสบการณ์ค่ะฟังจากประสบการณ์จริงได้เดี๋ยวว่าคงไม่ฟูทุกรายหรอกค่ะ <c oughs> นะคะกราบขอพระคุณหลองตาอีกทีนะค ะ, <c oughs> ะค่ะแล้วท่านผู้ชมคะ ยังไม่หมดนะคะยังมีช่วงหน้าคอยติดตามกับอาจารย์ชัดสุมาลค่ะในช่วงลุตถึงกันนั่นได้ทำสักครู่เดียวนะคะท่านผู้ชมคะเราไม่สนใจว่าเราตายเราจะไปไหนนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าตายไปแล้วเนี่ยนะคะใครก็ไม่จัดการกระสบเราเขาก็เหม็นเองอะนะคะตอนนี้เรามาสนใจว่าในขณะที่อยู่นะคะเราจะเตรียมตัวตายอย่างไรหลายคนบอกว่าเรื่องตายไม่อยากพูดถึงนะคะเป็นเรื่องที่น่าสยดสยองเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่เป็นอัปมงคลนะคะบางทีจะ เรียกลูกมาสั่งเขาว่านี่ถ้าแม่ตายไปแล้วให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นะลูกก็บอกไม่เอาแม่พูดอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่อยากฟังแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะความตายเนี่ยมันเป็นของที่แน่แน่ราวกับแช่แป้งทีเดียวนะคะเพราะทันทีที่เราเกิดก็คือเราลงทะเบียนในสมุดทะเบียนตายแล้วนะคะเพ<อ>ียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นว่าเราจะตายเมื่อไหร่ นะะในความเป็นชาวพุทธที่ดีเราจึงควรมาดูว่าเราจะเตรียมตัวตายอย่างไรนะคะกราบนมัสการหลวงพ่อต้อง <นะ S 1> ข อ, องความรู้คะ่ะในเรื่องของการเตรียมตัวตายค่ะแหมดีมากโยมดรถามเตรียมตัวตายบางคนไม่ได้เตรียมเลยนะเป็นผู้ประมาทพระพุทธเจ้าสอนอย่าประมาทเราตายอยู่นี้ได้ตายวันพรุ่งนี้ได้ตายมะรือนได้ ขอขอเจริญพรออกไตเติ้ลให้ยมดรฟังค่ะออกไตเติลหนึ่งเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อรอเวลาตายค่ะตายมาเพื่อรอเวลาเสียค่ะมีมาเพื่อรอเวลาหมดค่ะเราเจอกันเพื่อรอเวลาจากค่ ะ, คะสามีภรรยาพบมาแล้วมีลูกมีตาเกรียมตัวะต้องแพ้พ ล, พลาดจากของไม่ทิ้รักที่ชอบใจด้วยกันทั้งหลายทั้งสิ้ ไม่มีโอกาสกลับมาแล้วนี่คนนึ่งทองเตรียมตัวแล้วและการที่สองคุณยอมด็อกเตอร์ชาตุมารยาเข้าใจผิดค่ ะ, ค, ะคิดว่าเราอยังเป็นสาวค่ะเด็กรุ่นใหมย่ยุคใหม่สมัยนี้ไม่คิดถึงความตา ย, ยคิดว่าเราเนี่ยยังสาวอยู่ยัง เ, เป็นกแสสาวแท่แก่แม่ใหม่คิดอย่างเนี้ยอีกงานตายไม่บค่ะตายคืนนี้ได้ค่ะตายพรุ่ง น, นี้ได้ ข้อสามเราเกิดมาต้องพิจารณาตัวเองว่าวันนี้เป็นวันของเราค่ะวันพรุ่งนี้ไม่ใช่ค่ะเดือนนี้น่ะเป็นเดือนของเราเนี่ยเดือนหน้าไม่ใช่ะปีนี้เป็นปีของเราแน่ปีหน้าไม่ใช่เราจะอยู่ไปถึงปีหน้าไหมไม่มีเลยนี่ตรงเปลี่ยนแล้วเราเนี่ยวันเนี้ยเป็นวันของเรารีบทําใช้เสร็จคโยมด็อกเตอร์พรุ่งนี้ไม่ใช่เนี่ย อดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอนานคตไม่แน่นอนค่ะต้องเตรียมถึงจะทําอะไรทำให้มันเสร็จเราไม่รู้อันนี้จังเ อ, อ๋ยทุกขังหน้าตาค่ะจะตายวันนี้พรุ่งนี้ใครจะรู้ได้อย่าพัดวันประกันพรุ่งเลยโกทัญยามรนังทุยณิโรสารขลานเตนะมหาเชเนมัตุนาค่ะมาตุลาถึงความตายจะมาถึงเราในวันนี้ใครจะรู้ได้อย่าพัาดวันประกันพรุ่งเลย นายอมด็อกเตอร์นะเตรียมตัวเปรียมใจคเปรียมข้าวเปรียมของเสร็จแล้วก็เรียมใจโปร่งให้ตกอย่ากลัวตายคุณย้มด็อกเตอร์ถ้าเรากลัวตายตายเนี่ยคนี่ยไหนไหนเราก็ต้องตายอย่ากกลัวดีกว่าทําให้ความเคยชินกับกับความตายค่ะจนว่าชลาทำมุมหีเป็นธรรมดาต้องพิจารณาปัจจุเวทเกิด เป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์ทั้งเ่ช ะ, ล, ะลาทรมุมหีต้องพิจารณาปัจจเวกทุกวันเราตายเนี่ยหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายคิดไปทุกวันแล้วก็เจริญกุศลภาวนาสวดมนต์ไว้พระคุณโยมด็กเตอร์จะสบายใจมากลงตกแล้วไม่ต้องห่วงลูกเขาเลยถ้าเราเก็บสมบัติไว้หมดเนี่ยแล้วเราตายเนี่ยไปนรกเลยน ะ, ะโลภะเป็นเปรตในบ้าน ขอฝากไว้เป็นเปรตในบ้านคือเห็นบ่อยๆตายด้วยอำนาจโลภะทรัพย์สมบัติมากมายเหลือเกินแม่ไม่ เ, เคยให้ลูกตายห่วงสมบัติต้องเป็นเปรตอยู่นในบ้านอย่โทสะเป็นโลกโมหะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องเตรียมตัวตรงนี้ก่อนอย่าไปโลกอยากได้แบงไปเลยแล้วเราเตรียมใจค่ะือโยมดรพูดถูกแนละ้วต้องเตรียมใจแล้วค่ ะ, คะเตรียมตัวก่อนตายคือลงให้ตก อย่าไปกลัวต่อความตายที่จะมาถึงในวันนี้ ค, ความตายจะมาถึงเดี๋ยวนี้แล้วเราก็อยากกลัวเราฟองตกแล้วรับรองตายสบายมากะจะไปทางไหนเราจะไห้รู้่าสุขกติงปาฏิจั ง, งาขาทุกขกติงปาฏิจังาขาถ้าจิเป็นสุขเราก็ไปสวรรค์ถ้าจิเป็นทุกข์ก็ไปนรกเลย เนี่ยอยู่ตรงนี้เอง <c oughs> อเนี่ยขอเจริญพรอย่างนั้น ม, <c oughs> มีความหมายอย่างนี้ ม, มีมีคนติงอีกว่าถ้าหากว่าเราจเจริญสติอยู่กับความตายตลอดเวลาเนยเราก็เศร้าหมองเราก็ไม่คิดทําอย่างอื่นเราก็ไม่มีอะไราการคิดที่จ ะ, จะเจริญโลกก็ไม่เจริญถ้าเราคิดอยู่กับความตายอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะ <c oughs> ถ้าเราจะคิดถึงความตายจะมาถึงเมื่อไหร่เราจะทํางานมากขึ้นค่ะเราต้องการทางานมากขึ้นคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติค่ะเราคิดถึงความตาย ทุกอย่างโมระนามุดนุสเตะว่าขา้าพเจ้าต้องตายแน่นอนแล้วเราจะตายอย่างไรเราก็ต้องเตรียมการไว้ทุกอย่างแล้วก็จะขยันมันเพียงตลอดแบบโปรงตกแล้วไม่กลัวตายให้แ ม, ม่ตัวตายก็ทําให้ความขยันไม่หอทูไม่หิวแห้งถ้าคนมีธรรมะจะไม่หิวแห้งจะต้องต่อสู้กับงานประจําการงคะอย่างนั้นคผู้เจ้าตายทั้งข<อ>้างทา<อ>งเดินขณะที่จะหมดลมหายใจแล้วยิงได้ บัตรชิมมะโอว่าเดินตอนสุดท้มม า, าเยเ <c oughs> ห้นตาโนนสิงลูกชาฟังว่าหันทยาหันททานี่ยพิกเวออมันตายามีโวขยโยวยะธรรมมาสังขารลาอั ป, ปมาเทนะสัมปาเทศธาติค <c oughs> อานนเ์เลยบัดนี้สังขารกําลังเสื่อมค <c oughs> กําลังโฉมไปแล้วจะ <c oughs> ค่อยๆหมดไปแล้วอย่าประมาท <c oughs> นะในี่ตัวตัวอย่าประมาท <c oughs> ตัวเตรียมการคืออย่าประมาทอาจองค์ต่อสงครามชีวิตเลยคเตรี้ยงตัวซะนะบัตรนี้ สังขารเสื่อมไปด้วยกันทุกคนแล้วจะหมดไปตายผ่อนส่มทุกวันแล้วย่าประมาทเรีบทํางานเชื่อวันนี้อย่าพลาดวันประการพุ่งอัตมาจึงกล่าวไต้เติ้ลว่าวันนี้คือพรุ่งหลังพรุ่งนี้ไม่ใช่เดือนนี้เดือนหลงเราเดือนหน้าไม่ใช่คปีนี้ปีหลงเราปีหน้าไม่ใช่เรีบทําให้มันเสร็จณบัดนี้นี่แหละพระเจ้าสอนเตรียมนแล้วก็ อ, อ น, นุนทิฏชาอย่าประมาท<ม>สังขารกําลังเสื่อมทรมเนี่ยก็ต้องจากโลกไปสู่สัมปิยาพ อย่าประมาท<ม>อาจองต่อสงครามชีวิตเรียบสร้างความดีทุกชีวิตทุกคู่เค็ดทุกประการต้องมีน้ำใจคือธรรม ะ, ะขาดน้ำสิ้นชีวิตขาดคู่เค็ดชีวิตยังอยู่เรื่องเล็กขอจเจริญพร ท่านผู้ชมคะมันมีคำพูดอยู่นะคะที่ทำให้สกิดใจมากๆเลยว่าบางทีชาติหน้าเนี่ยอาจจะมาถึงเร็วกว่าพวกนี้ด้วยซ้ำนะคะเมื่อเราจเจริญธรรมพิจารณาทำอย่างนี้ก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ประมาทนะคะแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในธรรมะ